วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 6, หกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ตัดสู้รรมอันเลิศอันประเสริฐที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มีชีวิตที่ ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆการที่ชีวิตของพวกเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆเราจำเป็นที่จะต้องรู้ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของชีวิตเราก่อน ว่ามีสีมีกี่ส่วนด้วยกันถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังทำเราอาจจะคิดว่าชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่ส่วนเดียวก็คือร่างกายที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกคืนตั้งแต่ที่เราเกิดมา เราก็เห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเพียงส่วนเดียวเราก็อาจจะคิดว่าชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่เพียงส่วนเดียวคือร่างกายก็ได้แต่ความจริงแล้วร่างกายหรือชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันนอกจากร่างกายแล้ว เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นกันแต่เป็นส่วนที่สำคัญกว่าส่วนที่เรามองเห็นคือร่างกายส่วนที่เรามองไม่เห็นนี้เราเรียกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้ที่รู้ที่คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นกันแล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปคิดว่าเรามีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้น มีความร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆแต่ต่อให้เราดูแลร่างกายของเราให้ดีขนาดไหนก็ตาม<ๆ>เราก็จะไม่สามารถที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขไม่มีความทุกข์ต่างๆได้เลย ชีวิตของเราจะต้องมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆอยูอ่ไปเรื่อยๆถ้าเราเพียงดูแลแต่ร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะส่วนที่วุ่นวายส่วนที่ไม่ลมเย็นเป็นสุขนั้นยังไม่ได้รับการดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้จึงเป็นชีวิตที่มีส่วนประกอบอยู่ สองส่วนด้วยกันเนือเป็นคนสองคนมาร่วมกิจกรรมน่วมกันร่างกายกับใจใจนี้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี้เราเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายจะทำอะไรได้นั้นต้องรอให้ใจเป็นผู้สั่งการก่อนอย่างวันนี้ร่างกายจะเดินทางมาที่วัดนี้ได้ก็ต้องมีใจเป็นผู้คิดผู้สั่งก่อนอผู้ที่คิดนี้คือใจคิดว่าวันนี้ว่างจากการทำงานไม่ต้องไปทำงานไปฟังเทศฟังธรรม โดยทาบุญที่วัดดีกว่าอัน <Yeah. S 2> นี้แหละคือใจร่างกายคิดไม่เป็นร่างกายไม่มีความสามารถที่จะคิดอะไรได้ร่างกายเป็นเพียงแต่มีความสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัส ต, ต่างๆที่เข้ามา ทางตาหูจมูกนิ้วกายได้แต่ร่างกายนี้จะไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอันนี้ร่างกายไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นเพียงแต่ผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้น ผู้ที่จะรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสนี้ดีไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษนี่คือใจนี่แหละคือชีวิตของเรามีส่วนประกอบที่ที่รวมกันอยู่สองส่วนด้วยกันที่ทำงานร่วมกันทำให้ชีวิตของเรานี้เป็นไปอย่างที่เรา อยู่ในขณะนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีความนุ่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายใจต่างๆเราจรึงจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูส่วนประกอบทั้งสองส่วนให้ พอเพียงต่อความต้องการของของทั้งร่างกายและทั้งของจิจตใจเรื่องของร่างกายนี้การดูแลร่างกายนี้เราจะไม่ค่อยมีปัญหากันเรารู้กันเรารู้ว่าร่างกายต้องการอะไรในการที่จะทําให้ร่างกายนี้ อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อ น, นก็คือเรารู้ว่าร่างกายต้องการปัจจัยสี่นั่นเองร่างกายต้องการอาหาร <c oughs> เพื่อดับความหิวและเพื่ อ, อยางชีพเพื่อทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้เรื่อย การที่ร่างกายจะอยู่ไปได้เรื่อยๆนี้จำเป็นที่จะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเราจึงมีการเอาอาหารเข้าร่างกายอยู่อย่างสม่าเสมอวันหนึ่งอย่างน้อยก็สามครั้งด้วยกันเช้ากลางวันเย็นเพื่อที่จะได้มีอาหาร ไว้ให้ร่างกายได้ได้รับประทานให้ร่างกายจะได้ไม่หิวไม่ทุก์กับความอดอยากขาดแคลนทางด้านอาหาร mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น mm hmm. เพื่อให้ร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆ mm hmm. จำเป็นที่จะต้องมีอาหารเราก็หาอาหารมาให้กัน ให้ร่างกายกันทุกวันนี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องมีในการที่จะทำให้ร่างกายของเราอยู่เย็นเป็นสุขต้องมีอาหารส่วนที่สองสิ่งที่สองที่ร่างกายต้องการก็คือเครื่องนุ่งหม่มคือเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันนี้ เพราะร่างกายของเราถ้าไม่ได้มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ก็อาจจะรับอันตรายจากสิง ส, งสารสัตว์ต่างๆเช่ mm hmm. นมแมลงสัตว์กัดต่อย mm hmm. แล้วก็ยังมีผลกับจากอากาศต่างๆอากาศที่หนาวเย็น mm hmm. เป็นต้น อ า, ากาศหนาวเย็นนี่ถ้าแล้ร่างกายไม่มีเสื้อผ้าสูงสัยก็จะหนาวตายได้ถ้าโดนแรลางสาดตัดต่อยหรือโดนสิ่งของของของคม ข, ของแหลมทิ่มแทงเอาก็จะเกิดมีแผลต่างๆทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายได้ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วเนื่องจากเราเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความยางอาย มนุษย์ที่รู้ว่าควรจะมีการปกปิดอวัยวะเพศของตน<ม>เราก็เลยต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เพื่อให้ดูมีสง่าราศีมีความสุภาพเรียบร้อยสวยงา ม, มเราก็เลยต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่กัน สิ่งสสิ่งที่สามที่ร่างกายต้องการก็คือที่อยู่อาศัยร่างกายเหล่านี้ก็จะมีภัยต่างๆที่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเหล่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายได้ถ้าเราไม่มีที่หลบภัยคือที่อยู่อาศัย เพราะว่ามีภัยหลายอย่างที่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้หรือเกิดความตายได้เราก็ต้องมีที่พักาสัยคือบ้านไว้หลบภัยหลบแดดหลบฝนหลบภัยจากมนุษย์และสัตว์ที่โหดร้ายทารุณถ้าเราอยู่ ไม่มีบ้านอยู่เราร่างกายของเราก็อาจจะถูกทำร้ายได้จากจากดินฟ้ากายก็ม็ได้จากฝนฟ้าจากอากาศที่หนาวเย็ยนหรือจากมนุษย์ด้วยกันหรือจากสัตว์ต่างๆเราจึงต้องมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบแดดหลบฝนเราก็ต้องมี บ้านช่องไว้สำหรับเราอยู่กันเพื่อร่างกายจะได้ปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆและปัจจัยสิ่งที่ร่างกายต้องการข้อที่สี่ก็คื อ, อยารักษาโรคเพราะร่างกายนี้ก็มักจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน เกิดจากเชื้อโรคติดเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายก็ทำให้เจ็บไข้ได้ปวดได้หรือกเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆก <c oughs> ็จำเป็นที่จะต้องมียาไว้รักษาโรคภัยต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ถ้าไม่มียาร่างกายก็จะทุกข์หรืออาจจะถึงแก่ความตายได้ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องมีกันในการดูแลเรื่องดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขี น, นส่วนนี้เราจะไม่ค่อยอสงสัยกันเรารู้กันเรารู้ว่าเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้ส่วนชีวิตของเรานี้ มีความร่วมเย็นเป็นสุขแต่ส่วนนี้ก็เป็นเพลงส่วนเดียวเป็นส่วนเป็นเพลงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่อีกส่วนหนึ่งนี้ถ้าเราไม่ได้ให้อะไรการเลี้ยงดูเลยถ้าเราเลี้ยงดูเพียงแต่ร่างกายเพยงอย่างเดียวจิตใจของเรานี้ก็จะไม่ร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราจะมีความหิวโหย มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความไม่สบายใจต่างๆถ้าเราไม่ได้มาดูแลจิตใจของเราด้วยทางศาสนาท่านถึงสอนว่านอกจากการเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมาเลี้ยงดูจิตใจของเราเอีกส่วนหนึ่ง ชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบสองส่วนหรือมีคนสองคนที่เราต้องเลี้ยงดูน่างกายก็เป็นคนหนึ่งจิตใจก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนพี่น้องหรือเป็นอเป็นฝาแฝดก็ว่าได้น่างกายนี้เป็นแฝดน้องส่วนใจนี้เป็นแฝดพี่ใจเป็นผู้ใช้น้องให้ทําอะไรต่างๆ น้องจะไม่ได้ทำอะไรจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรถ้าพี่ไม่ได้มีผู้สั่งเป็นผู้สั่งให้ทำเรานี่เห็นเพียงส่วนเดียวเห็นส่วนที่เป็นน้องเห็นคือร่างกายแต่ส่วนใจนี่เรามองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเราอาจจะหลงไปคิดว่า ใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกันก็ได้เลี้ยงดูร่างกายแล้วถ้าร่างกายสุขสบายแล้วใจก็จะต้องสุขสบายตามไปด้วยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใจของเรานี้ถ้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ถูกต้องใจของเรานี้ก็จะมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความ เศร้าสร้อยหงอยเหงามีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจต่างๆนะดังนั้นเราต้องมาดูแลร่างกายเรา<ม>เช่นเดียวกับที่เราดูแล<ม>เราต้องมาดูแลจิตใจ<ม>เช่นเดียวกับที่เราดูแลร่างกายของเรา<ม>การที่จะดูแลจิตใจของเรานี้<ม>ให้มีความล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์<ม>ความหิวโหวย ต่างๆเราก็จะต้องมีปัจจัยสี่ของใจมาเลี้ยงดูใจเช่นเดียวกับที่เรามีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูล่างกายร่างกายต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหารเหมือนกันร่างกายต้องการเสื้อผ้าอภรรจิตใจก็ต้องการเสื้อผ้าอภรรร์ร่างกายต้องการที่อยู่อาศัย จิตใจก็ต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันร่างกายต้องการยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆจิตใจก็ต้องการยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคของใจนี้ไม่ได้เป็นชนิดเดียวกับอาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและอยารักษาโรคของร่างกายเป็นคนละชนิดกันอาหารของใจนี้คืออะไรอะไรที่จะทำให้ใจเกิดความรู้สึกไม่หิวโหวยทำให้รู้สึกว่ามีความอิ่มมีความสุขอาหารของใจนี้ก็คือการทำทาทานนี่องการให้ทาน การเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้ผู้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องข้าวของเงินทองเช่นขาดแคลนปัจจัยสี่ทางร่างกายถ้าเรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เหลือเฟือสามารถที่จะแบ่งปัน ความประโยชน์ที่เรามีอยู่นี้จากทรัพสมบัติเจ้าของเงินทองให้กับผู้ที่เขาขาดแคลนให้เขาได้มีความสุขจากการเสียสละของเราเวลาที่เราทำบุญทำทานเราให้ข้าวให้ของหรือให้เงินทองกับผู้นี่มันจะทำให้เกิดความรู้สึก สุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้แหละคืออาหารของใจคือการให้แปลว่าเรียกว่าทานคาว่าทานนี้แปลว่าการให้<ม>เวลาให้แล้วจะเกิดผลขึ้นมาก็คือบุญ<ม>ทานนี้เป็นเหตุเป็นการกระทำส่วนบุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำเหตุ<ม>ก็คือการให้ เวลาเราให้ข้าวของเงินทองกับผู้ที่เขาเดือดร้อนเราจะได้รับความสุขใจอิ่งใจขึ้นมาความสุขใจอิ่งใจนี่แหละคืออาหารที่ทาที่ผลเป็นผลจากการได้รับประทานอาหารของใจคือการได้ทำทานนี่เองเราต้องเข้าใจนะคำ ว, ว่าทานกับบุญนี่เป็น คนละความหมายกันทานนี้เป็นเหตุคือการกระทาส่วนบุญนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจในเวลาทำบุญทำทานแล้วใจก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเวลาที่ร่างกายรับประทานอาหารเวลาร่างกายรับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดความอิ่ม ของร่างกายขึ้นมาแต่ถ้าเราเพียงแต่ให้อาหารกับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้อาหารกับใจถึงแม้เราจะรับประทานอาหารทางร่างกายอิ่มแล้วร่างกายรู้สึกอิ่มแล้วก็ตายแต่เราจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เรายังมีความหิวมีความอยากความหิวความอยากนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดอาหาร ทางร่างกายแต่เกิดจากการขาดอาหารทางด้านจิจตใจเวลาเรารับประทานอาหารทางร่างกายอีกมแล้วเราก็ยังอยากยังหิวอยู่กับอย่างอื่นยัางหิวกับลูกเสียงกิ่นรสต่างๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วทีนี้ก็อยากจะไปดูหนังดูละครอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันนี้เป็นความหิวของใจไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายร่างกายได้อาหารพอแล้วอิ่มแล้วนีครับแต่ใจไม่ได้รับประทานอาหารพร้อมๆกับร่างกายใจก็เลยเกิดความหิวเวลาที่เรามีความหิวความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆไม่ว่าเป็นความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไร ไปร้องรำทำเพลงไปดูภาพยนตร์ดูละครไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปซื้อของต่างๆของที่ไม่จำเป็นต่างๆของที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยสี่หรือถ้าเป็นปัจจัยสี่ก็เป็นส่วนเกิน <S <S คือเราบางทีเรามีเสื้อผ้าเหลือเฟืออยู่แล้วเป็นส่วนที่จำเป็น แต่เราเวลาเห็นเสื้อผ้าที่เขามีมีขายตามร้านเราก็เห็นแล้วก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นความหิวทางใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่ใจเรา ไม่ได้รับอาหารไม่ได้ไม่ได้ทาบุญทำทานนั่นเองไม่ได้ทำทานเพื่อให้เกิดบุญคือความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆนี่ใจเราจะมีความอิ่มใจสุขใจแล้วความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกิริย์ลดต่างๆนี้มันจะ มีน้อยลงไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเราให้ความสุขใจอิ่มใจกับใจด้วยการทําทานอยู่เรื่อยการทําทานนี้นนเป็นการให้ไม่ว่าจะให้ใครก็จะได้ผลเหมือนกันได้ความอิ่มใจสุขใจคือได้บุญเหมือนกันแต่ความเข้าใจของ ชาวพุทธเราส่วนใหญ่มักจะแยกคำว่าทานกับบุญว่าถ้าให้กับพระนี้เราจะเรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วถ้าให้กับคารวะญาติโยมหรือสัตว์เบลฉ า, านนี้เราจะเรียกว่าเป็นทานเป็นการทำทานไม่ได้เป็นการทำบุญแล้วเราก็ไปคิดว่าการทำบุญนี้การให้กับพระนี้ ที่เราเรียกว่าการทาบุญนี้จะได้บุญมากกว่าการทำทานแต่ความจริงแล้วได้เท่ากันถ้าปริมาณการให้เท่ากันถ้าเราทำบุญให้เงินพระร้อยบาทให้บุญคารวะร้อยบาทผู้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระร้อยบาทเป็นการให้เท่ากันเป็นการทำทานเท่ากัน และผลที่เกิดจากการให้ก็จะได้เท่ากันคือความสุขใจอิ่มใจอันนี้ก็จะได้เท่ากันงานนี้ต้องทาความเข้าใจว่าการให้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่รับมีเกี่ยวกับการปริมาณของการให้ของเราว่าเราให้มากหรือให้น้อยถ้าเราให้มากความอิ่มใจสุขใจก็จะมากขึ้น ถ้าให้น้อยความสุขใจอิ่มใจก็ได้น้อยไม่ได้อยู่ผู้ที่รับว่าจะเป็นใครไม่ได้หมายความว่าถ้าให้พระแล้วความสุขใจอิ่มใจจะมีมากกว่าการให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระถ้าปริมาณกันให้นี้เท่ากันเช่นเงินร้อยบาทนี้จะทาทานกับใครก็จะได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจ เท่ากันเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารหนึ่งจานเราก็จะได้ความอิ่มท้งร่างกายในระดับหนึ่งถ้าเรารับประทานอาหารสองจานเราก็จะได้ความอิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งความอิ่มกายก็อยู่ที่ปริมาณของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ความอิ่มใจก็อยู่ที่ปริมาณของการให้ของเราว่าเราให้ไปมากน้อยเท่าไหร่<ม>ถ้าเราอยากจะได้บุญมากได้ความสุขใจอิ่มใจมากเราก็ต้องให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจมากขึ้นไปไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ความสุขใจอิ่มใจแต่ปริมาณนี้เท่ากัน แล้วเราคิดว่าแล้วถ้าเราไปให้กับพระนี้เราจะได้ความอิ่มใจสุขใจมากกว่าการที่เราเอาไปให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระเช่นคลรวะผู้คองเรือนหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแต่ก็มีเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาให้กับพระโดยเฉพาะให้กับพระอริยเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี้เราจะได้บุญมากมากกว่าที่เราให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าอันนี้ต้องเข้าใจว่าบุญที่เราจะได้รับจากพระอริยะเจ้านี้เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งซึ่งบุญชนิดนี้เราจะได้จากคนที่มีธรรมะเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า<ม>เวลาเราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมคาสั่งคําสอน<ม>พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ความสุขใจที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรม อันนี้เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับบุญที่ไดจากการให้คือการทำทานเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสองชนิดกันถ้าเราทำทานกับคนที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะความสุขใจที่ได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมก็จะไม่เกิดขึ้น อันนี้ก็เลยทำให้คนที่อยากจะได้ความสุขใจเพิ่มมากขึ้นกว่ากว่าการที่จะให้กับคนทคนธรรมดาเราก็ไปหาพระอริยะรรมบุญกับพระอริยเจ้ากันไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหนันต์มีบุคคลเหล่านี้จะมีธรรมะมากน้อย ตามลำดับของการการปฏิบัติของท่านพระโสดาบันนี้ก็จะมีธรรมะน้อยกว่าพระสกิฎาคามีพระสกิฎาคามีก็จะมีน้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะมีน้อยกว่าพาาระ mm hmm. อหรหันต์พระอรหันต์ก็จะมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้า mm hmm. พระปเจกัะพุทธเจ้าก่อน พระบิดาพระพุทธเจ้าก็มีความรู้น้อยกว่าพระอาหารหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้าเ<ม>นี่ยท่านนั้บอกว่าถ้าได้ทําบุญกับบุคคลเหล่านี้<ม>เราจะได้บุญมากขึ้น<ม>อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่เราต้องฟังธรรมจากท่าน<ม>ถ้าสมมุติว่าเราไปใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเลยมไม่รอฟังธรรมครับ เราก็จะไม่ได้ทาที่เกิดจากการฟังธรรมเราก็จะไม่ได้บุญเนื้อความสุขใจที่เกิดจากการฟังธรรมเราจะได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานเท่านั้นเอง<ม>อันนี้แหละ<ม>คือบุญที่เราคิดว่าจะได้มากกว่า<ม>เวลาที่เราทํากับพระอริยเจ้า<ม>ความจริงมันไม่ได้เป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานของเรา การที่บุญที่เกิดจากการให้ทานของเรานี้เราได้เท่ากันไม่ว่าจะให้ใครก็ตามให้พระอริยะเจ้าหรือให้พระธรรมดาหรือให้คนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นนักบวชบุญที่จะเกิดจากการให้ทานนี้มันเท่ากันความสุขใจอิ่มใจจากการเสียสละเงินทองของเราไปนี้ ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามค้าปริมาณของเงินทองที่เราให้มันเท่ากันความสุขใจอิ่งใจนี้มันจะเท่ากันแต่บุญที่จะได้รับอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเพราะเวลาฟังธรรมนี้จะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่นได้ยินได้ฟังธรรมได้เรียน ทำก็คือเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจะทำให้เรามีหูตาสว่างมากขึ้นหรือถ้าทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราได้ฟังซ้ำอีกเลื่อยถ้าเราได้ฟังซ้ำอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เรามีความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ เราจะทำให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเป็นต้นอันนี้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้ความรู้เหล่านี้ขึ้นมาแล้วความรู้เหล่านี้แหละที่จะทาให้จิตใจของเรามีความสงบมีความผ่องใสมีความอิ่มเ อ, อิบใจ เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่เป็นบุญคนละชนิดกับบุญที่ได้จากการทำทานมีคพออธิบายให้ให้ญาติโยมเข้าใจกันเพราะบางทีญาติโยมก็อยากจะไปทำบุญกับพระอริยะอยากจะใส่บาตรกับพระอริยะแต่ใส่บาตรแล้วก็กลับบ้านมไม่ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอริยะเราก็ได้ได้ได้บุญที่เกิดจากการทำทานเท่านั้นเอง แต่บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้เราจะไม่ได้อันนี้ขอให้เข้าใจว่าการให้นี้แปลว่าการทำทานเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือบุญคือความสุขใจอิ่มใจบุญนี้มีหลายชนิดอย่า ง, างที่เราพูดนี่เราพูดมีอยู่สองชนิดบุญที่เกิดจากการให้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธทรรมก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่ง<ม>คือความสุขใจอิ่นใจคนละอย่างกันมีน้ำหนักมากน้อยต่างกัน<ม>บุญที่ได้จากการทำทานนี้จะมีน้ำหนักน้อยกว่าบุญที่ได้จากการฟังเทศฟังธรร ม, มอันนี้อยากจะอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจกัน เดี๋ยวบางทีก็จะไม่เข้าใจมากจะคิดว่าทำบุญจะได้บุญเยอะถ้าเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอาริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามากกว่าที่เราจะได้จากการทำบุญกับคนที่ไม่ใช่เป็นพระอาริยะ mm. ความจริงได้เท่ากันถ้าเป็นการให้เป็นการทำทานนี้ได้เท่ากันทำทานกับพระอาริยะทาทานกับ บิดามารดาทำทานกับเพื่อนสนิทมิตรสหายทำทานกับผู้ยากไร้ทำทานกับสัตว์เดรัจฉานถ้าปริมาณของการทำทานนี้เท่ากัน<ม>บุญก็จะได้เท่ากัน<ม>คือความสุขใจอิ่มใจนี้ก็จะได้เท่ากัน<ม>อย่างนี้พูดไว้เพื่อที่ญาติโยมจะได้ไม่ไม่เขว แล้วคิดจะทำบุญกับพระอริยะเจ้าอย่างเดียวไม่คิดถึงการที่จะทำบุญกับทำทานกับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เขายากไร้นี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน<ม>เขาขาดต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันพระอริยะเจ้าก็ต้องการปัจจัยสี่คนยากจนคนอนาถาคนที่ด้อยโอกาสเขาก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกัน ดังนั้นการทาทานนี้เราบางทีก็ต้องมองอยู่ที่ผู้รับด้วยว่าเขาขาดหรือไม่ขาดถ้าไปทํากับผู้ที่เขาไม่ขาดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่หรือผู้ที่เขาเขาขาดแล้วไม่ได้รับการทําทานเขาก็จะเดือดร้อนอการเดือดร้อนของเขานนี้ก็อาจจะส่งผลให้ต่อสังคมที่เราอยู่ถ้าคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน เขาไม่ได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเขาก็อาจจะต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นด้วยการไปลักทรัพย์หรือไปทำร้ายผู้นเพื่อให้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของตัวของเขาเองดังนั้นเวลาการให้ทานนี้เราจึงควรจะมองถึงผู้ที่รับว่าใครบ้างเป็นผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อน เราก็ต้องมุ่งไปที่นั่น <c oughs> เพราะว่าให้ <c oughs> ให้กับเขา <c oughs> เหล่านี้ก็ได้ได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจ <c oughs> เหมือนกับการที่เราไปให้กับพระอริยเจ้า <c oughs> นี้ถ้าทุกคนมุ่งไปให้กับพระอริยเจ้าเพียงอย่างเดียวพระอริยเจ้าก็มีมากเกินไปท่านก็มีแค่ท้องเดียวปากเดียวเอากับข้าวไป ข้าวของอะไรไปถวายท่านเป็นกองเท่าภูเขาท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเกินไปอยู่ดีมันก็เป็นภาระที่ท่านจะต้องเอาไปแจกไปทําทานแทนพวกเราต่อไปอีกอี ก, อ, ก, อ, กอีกเที่ยวหนึ่ง <c oughs> นั้นถ้าเราอยากจะได้บุญจากการทําทานนี้เราสามารถทํากับใครก็ได้ <c oughs> ทํากับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน <c oughs> เวลาที่เราได้ช่วยมันเทา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้แล้วนี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วมันจะตัดความหิวในการที่เราอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้โือความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสถ้าเราได้ทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะมีความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับมีอาหารให้รับประทาน เมื่อใจอิ่มใจสุขใจแล้วใจก็จะไม่ค่อยหิวกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการที่จะไปเสพลูกเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมา <c oughs> มาให้ความสุขเพราะว่าการไปหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นอันตรายต่อจิตใจมันเป็นทิศต่อจิตใจเป็นโทษต่อจิตใจ เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่ใจไปเสพนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดเพราะว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพนี้มันเป็นความสุขชั่วปีเดียวปดาวเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้ไปเสพเวลาที่เราได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรที่เราอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่ม เราก็เกิดความสุขใจในขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่พอหลังจากเวลาผ่านไปหลังจากที่เราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสแล้วความสุขที่เราได้จากมันก็จะหายไป <c oughs> แต่สิ่งที่มันจะติดครั้งอยู่ในใจก็คือความหิวความอยากจะเสพอีกนัน่อันนี้แหละเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ใจวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราจะต้องคอย หาลูกเสียงกิรนลดหาสิ่งต่างๆมาเสดอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขอพอเราไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะไป <c oughs> หาลูกเสียงกิรนรดต่างๆมาเสดได้เวลานั้นมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาเกิดความหมดจิตลำคาญใจขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาได้จากการที่เราไม่ได้ เสพ ร, รูปเสียงกิจนลถโผาเพราะการที่เราจะเสพ ร, รูปเสียงกิจลถโผฏาได้นี่มันต้องมีปัจจัยพร้อมหนึ่งเราก็ต้องมีเงินถ้าเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆถ้าเราไม่มีเงินเราก็ซื้อไม่ได้ <c oughs> สองเราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ถ้าวันไหนร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็จะไม่สามารถที่จะไปเสร็รูปเสียงกลิ่นลดได้ mm hmm. หรือ <c oughs> ถ้าร่างกายเราพิกลพิการไปหูหนวกตามบอดไป mm hmm. เราก็จะทุกข์มากเพราะว่าความอยากจะเสพมันมันไม่หมดไปมันยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ mm hmm. ตามดถ้าเราไม่ฝืนไม่หยุดมันมันก็จะมาคอยสร้างความทุกข์ใจสร้างความ เคสร้างความหงุดหงิดสร้างความเศร้าสร้อยงอยหงายห้ากับเราคนบางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาก็เพราะว่าไม่สามารถไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าเรามีการทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานนี้มันจะทําให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขใจ <c oughs> แล้วความอิ่มใจสุขใจนี้มันจะไประงับ ความหิวความอยากที่จะไปเสพลูกเสียงกลิ่นรสโถดพภะชนิดต่างๆได้ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเรานี้อยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆเราต้องมีการให้อาหารกับใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่เราให้อาหารกับร่างกายเราอยู่เรื่อยๆเรารับประทานอาหารกันวันละสามครั้งนี่ใจของเราก็ต้องมีการรับประทานอาหารใจ เหมือนกันทุกวันงนั้นทุกวันนี้เราควรจะมีการทำบุญทาทานอยู่ทุกวันเพราะเวลาที่เราได้ทำบุญทาทานแล้วมันจะทำให้เรา <c oughs> เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเ <c oughs> ช่นคนที่มีพระเดินผ่านบ้านทุกวันนี้ <c oughs> เขาก็จะมีโอกาสได้ทำบุญทุกวันทำบุญด้วยการใส่บาตร แต่ถ้าไม่มีพระนี้เราก็ทําบุญกับขอทานก็ได้<ม>ทําบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆก็ได้<ม>ทํากับใครก็ได้<ม>ทํากับผู้มีพระคุณกับเราก็ได้เป็นการทดแทนบุญคุณเช่นทํากับบิดามารดาปูา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ก็ได้<ม>อันนี้เราก็จะได้บุญ<ม>ได้ความอิ่มใจสุขใจแล้ว ม, ม, ม, มันจะทําให้เราไม่หิวโหวย กับการที่จะไปหายาเสพติดของใจมาเสพกันก็คือไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพระชนิดต่างๆอันนี้คือปัจจัยอันแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องคอยเลี้ยงดูจิตใจของเรานนคือต้องมีอาหารให้กับจิตใจได้รับประทานอยู่เรื่อยๆอาหารของจิตใจก็คือการทำทานนีเ่เพราะว่าเมื่อทำทานแล้วก็จะได้บุญ คือความสุขใจอิ่มใจนะคุณเราจึงควรจะทำบุญทุกวันเหมือนกับที่เรารับประทานอาหารทุกวันเรารับประทานอาหารวันละสามมื้อได้เราก็ต้องให้อาหารกับจิตใจอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อก็อยังดี ใ, ให้อาหารร่างกายแล้วก็ต้องให้อาหารจิตใจด้วยทำทานก็าอาหารของจิตใจก็คือการทำทาน วันหนึ่งเราต้องแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วไว้สาหรับทำบุญ mm hmm. แต่มากน้อยก็อยู่ที่ว่าเรามีมากมีน้อยมีน้อยเราก็แบ่งมาน้อย mm hmm. ถ้าสมมติว่าถ้าเรามี1้อยบาทก็อาจจะแบ่งมาสักสิบบาทให้กับทำบุญเราไปให้ใครก็ได้หรือถ้าเราอยากจะให้วัดให้โรงเรียนหรืออะไรแต่เรายังไม่สะดวกที่จะเอาไปเราก็เอาใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ mm hmm. แต่เราอมั่นใจว่าเราจะไม่ไป เอาเงินที่ยในกระปุกนี้เอามาใช้ <Yeah. S 1> ถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของเราแล้วถือว่าเป็นเงินทําบุญเราก็ใส่ไว้ในกระปุกไว้ก่อน <Yeah. S 1> พอเวลาที่เรามีโอกาสไปวัดหรือไปที่ที่เราจะไปทําบุญ <Yeah. S 1> เราก็เอาเงินเหล่านี้ <Yeah. S 1> ที่เราได้เก็บไว้นี้ <Yeah. S 1> ไปทําบุญกับสถานที่ต่างๆเราทุกครั้งที่เราสละเงิน ส่วนนี้เข้าใส่เนกระปุกเราก็รู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าทางให้ดีให้มันให้มันให้หมดไปเลยจะดีกว่าเพราะมันอยู่ใกล้มือเราแล้วเดี๋ยวบางทีกิเลสมันก็อาจจะามาหลอกให้เราไปขอยืมมาก่อนก็ได้ mm. นั่นก็ทางที่ดีก็ทำบุญไปเลยให้ขอทานไปหรือให้ใครไปก็ได้หรือเราจะให้เป็นเดือนก็ได้สมมติเรา สะดวกที่จะให้เป็นเดือนเอาเงินเดือนออกเราก็ให้ไปก่อนเลยแบ่งไปโอนเงินไปให้กับวัดโอนเงินไปให้กับโรงเรียนโอนเงินให้กับใครก็ได้ที่เราคิดว่าเขาทุกยากเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือเราก็จะได้ทําบุญทั้งเดือนไปเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันถ้ามีการทําบุญอย่างาสม่ำเสมอแล้วความอยากจะเอาเงินไปใช้ กับการซื้อยาเสพติดของใจมาเสพมันก็จะไม่มีความอยากจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพื่อความสุขมันก็จะไม่มีมเพราะจิตใจมีความอิ่มจากการทําทาน<ม>นี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจที่เราควรที่จะทํากันถ้าเราอยากหาให้จิตใจของเรามีความนุ่มเย็นเป็นสุข ไม่หิวโหวยปัจจัยข้อที่สองที่เราจำเป็นที่จะต้องให้กับจิตใจก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์เราสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์มีมีเหตุสองประการด้วยกันสวมใส่เพื่อป้องกันโรคภัยป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายชเช่นแมลงสัตว์กัดต่อยหรือของของแหลมของคมอะไรต่างๆ<ม>ถ้าเรามีเสื้อผ้าเราก็จะไม่ได้ถูกสัตว์เหล่านี้มากัดมา เนแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่ ง, น, งนอกจากนั้นก็สวมใส่เพื่อปกเพื่อหุอ้มห่ อ, หอร่างกายป้องกันอากาศที่หนาวเย็นที่อาจจะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็ใช้เพื่อปกปิดอวอยัยวะเพื่อเสริมสวยความงามของร่างกายเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเราจะมีความรู้สึกว่าเรานี่มีมีสง่าราสีมากกว่าเวลาที่เราไม่มีเสื้อผ้าใส่ เวลาที่เราไม่มีเสื้อผ้าใส่เรารู้สึกว่าเราล่อนจ้อนเป็นชีปเปือยแต่เวลาที่เรามีเสื้อผ้าใส่แล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีมีสง่าราศีมีความมีความสวยงามอ<ม>นี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าพอพร์ของของร่างกายเสื้อผ้าอภร์ของใจก็เช่นเดียวกันเสื้อผ้าพอพร์ของใจคืออะไรก็คือศีนนี่เอง สีนี่แหละเป็นเสื้อผ้าพรของใจผู้ที่มีสีนี้มักจะเป็นผู้ที่น่าชื่นชมน่าน่าน่าเข้าหาเป็นคนสวยงามเช่นที่เราเข้าหาพระกันเพราะเรามีความเห็นว่าพระนี้ท่านเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ากราบไหว้บูชาเพราะท่านเป็นคนที่มีศีมีเสื้อผ้าท่านไม่ทำบาปไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี <c oughs> ไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นต้นอันนี้แหละคือความสวยงามของของคนเราของจิตใจเราอยู่ที่การมีสีถ้ามีสีแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าคบหาสมาคมด้วย <c oughs> เวลาเราครบกับคนนี้บางทีเราก็ต้องเลือกคนดูว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีคนสวยหรือไม่สวย <c oughs> ทางด้านจิตใจไม่ได้ทางร่างกาย เราจะดูว่าเขาสวยงามความสวยงามของจิตใจก็คือเราเป็นคนที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าเป็นคนโหดร้ายทารุณหรือเป็นคนที่ไม่โหดร้ายทารุณเป็นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่าคนลักทรัพย์ชอโกงหรือเปล่าคนโกหกหลอกลวงหรือเปล่าคนที่ชอบไปประพฤติผิดประเพณีหรือเปล่าคนที่ดื่มของมึนเมาหรือเปล่า อันนีนะ้เป็นเครื่องวัดความสวยงามของจิตใจของคนเราคนที่มีศีลนี้มักจะเป็นคนที่สวยงามกว่าคนที่ไม่มีศีลแล้วการที่มีศีลนี้ก็จะป้องกันภัยที่จะมาทำร้ายจิตใจของเราภัยที่จะมาทำร้ายจิตใจของเราคืออะไรก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปและการที่จะต้องรับอนิสงส์ของของผลบาปที่เราทำไว้ ก็คือการที่เราจะต้องไปเกิดในอบายจิตใจของเรานี้ถ้าถ้าทำบาปแล้วนี้จะมีความทุกข์ใจจะมีความไม่สบายใจแล้วนอกจากนั้นแล้วเวลาร่างกายตายไปใจที่มีบาปติดตัวไปนี้จะต้องไปใช้บาปในอบายคือแทนที่จะไปไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี้จะยังไม่สามารถจะทำได้ ถ้าใจมีบาปติดตัวไปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปรับผลบาปก่อนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆหรืออาจจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุลกายหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเครี<ม>ยดแค้น<ม>อันนี้ก็เรียกว่านารก อันนี้เกิดจากการทำบาปด้วยสาเหตุต่างๆทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอย่างมีมากๆก็จะไปเป็นเปรตความอยากทำทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นนรกเป็นความทุกข์ทั้งนั้น บาปนี้จะเป็นตัวที่สร้างทําให้จิตใจดวงวิญญาณนี้เป็นทุกข์ทุกข์มาเกิดเป็นเดรัจฉานก็ต้องทุกข์กับการกินอยู่เพราะเดรัจฉานนี้เขาอยู่ด้วยด้วยการฆ่ากันเองอสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยแล้วก็จะมีภัยรอบด้านจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนถ้าทุกข์ถ้าถ้าไปเป็นดวงวิญญาณที่หิหวโหวยที่เรียกว่าเปรก็จะทุกข์กับความหิวโหวยห ไม่มีความรู้สึกอิ่มไม่รู้มีความรู้สึกพอแล้วถ้าเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็จะมีแต่ความหวาดกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวบุคคลนั้นกลัวบุคคลนี้กลัวเหตุการณ์นั้นกลัวเหตุการณ์ น, รนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีความทำบาปด้วยความอาฆาตปยาบาดใจก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนเครียดแค้นจองเวรจองกรรมหาความสงบไม่ได้ อันนี้แหละเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับผู้ที่ไม่มีศีลถ้าถ้าผู้มีศีลศีลนี้จะคุ้มครองป้องกันไม่ให้อบายภัยที่จะทำให้ใจไปตกในอบายนี้ไม่เกิดขึ้นถ้ามีศีลไว้รักษาไว้คุ้มครองศีลจึงเป็นเหมือนเสื้อผ้าพอ่อที่ปกป้องจิตใจให้คล้าคาดปลอดภัยจากภัยของอบายทั้งสี่ แล้วก็เป็นเครื่องเสริมสวยความงามของใจใจที่มีศีลนี้จะเป็นใจที่มีความสวยงามใครก็อยากจะคบค้าสมาคมอยากจะอยู่ด้วยอยู่ใกล้ชิดด้วยเพราะรู้ว่าปลอดภัยไม่อยากจะอยู่กับใจที่ไม่มีศีลมีธรรมอันนี้คือสิ่งที่ถ้าผู้ที่มีศีลแล้วจิตใจจะล่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจจากการกระทำบาปต่างๆนั่นเองจะปลอดภัยจากความทุกข์แล้วก็ปัจจัยข้อที่สามของใจที่จะทำให้ใจอยู่อย่างน้อมเย็นเป็นสุขก็คือที่อยู่อาศัยเหมือนกับที่อยู่อาศัยของร่างกายร่างกายก็ต้องมีที่หลบแดดหลบฝนใจก็ต้องมีที่หลบจากความวุ่นวายต่างๆความเครียดต่างๆความทุกข์ต่างๆนี้ เกิดจากใจที่ไม่สงบนั่นเองใจที่คิดเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ <c oughs> อไม่เป็นไปดังความอยากใจก็จะเครียดขึ้นมาใจก็จะทุกข์ไม่สบายใจถึงแม้ร่างกายจะสุขจะสบายมีปัจจัยสี่สมบูรณ์แต่ใจนี้กับนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับ มีความหวาดวิตกมีความหวาดกลัวมีความกังวลอะไรต่างๆมากมายทั้งหมดนี้มันเกิดจากใจที่ไม่สงบใจที่ชอบคิดอยู่เรื่อยๆใจที่ชอบคิดอยู่เรื่อยๆเป็นใจที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะำเป็น ต, ต้องสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้กับใจที่อยู่อาศัยของใจที่เป็นบ้านก็คือสมาธิสมาธินี้เป็นความสงบของใจ ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ใจเราก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายาต่างๆที่เกิดจากความคิดปุงแต่งของใจเองดังนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิกันมาทําใจให้สงบกันเพราะการทําใจให้สงบเป็นสมาธินี้เป็นการสร้างบ้านให้กับใจเวลาใจสงบแล้วใจจะนิ่งจะเย็นจะสบาย ความทุกข์ความเครยียดความเดือดร้อนต่างๆนี้มันจะหายไปหมดเหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกบ้านนี้เราต้องไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเจอเรื่องราวต่างๆที่ไม่ไม่ปลอดภัยเจออากาศที่ร้อนเช่นตอนนี้เจออากาศร้อนพอเราได้เข้าบ้านเราได้มีเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องปรับอากาศบ้านเราก็จะอยู่อย่างเยน็นอย่างสบายภัยต่างๆที่จะมาทาร้ายร่างกายเราก็ไม่สามารถตามเข้ามาได้ อันใดถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีบ้านของใจความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ความเครียดต่างๆมันจะหายไปเวลาที่เราฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทาให้เราเครียดกันเรื่องเรื่องหนี้สินเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องอะไรต่างๆก็ตาม มันจะไม่สามารถเข้ามาในใจเราได้ถ้าเราหยุดความคิดของเราได้เพราะความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวที่ดึงเรื่องราวต่างๆให้เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับใจของเราพอเราฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้ความเครียดความต่างๆมันก็จะหายไปชั่วขราวเหมือนกับเราได้หลบเข้าไปในบ้านหลบภัยไว้ชั่วขาวสมาธินี่เป็นที่หล บ, หลบความเครียดหลบความ หลบความทุกข์ต่างๆไว้ชั่วคราวเป็นที่ให้ความสุขความน้อมเงย็นเป็นสุขชั่วคราวเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่กันแบบชั่วคราวเราไม่ได้อยู่ในบ้านตลอดเวลาเราอยู่ในบ้านเวลาที่เราต้องการความปลอดภัยต้องการความความสบายเราก็หลบเข้าไปในบ้านแต่เราก็ยังต้องออกไปนอกบ้านอยู่เรายังต้องไปทำมาหากินไปทาธุระอะไรต่างๆอยู่แต่อย่างน้อยเรารู้ว่า ถ้าเราเกิดความทุกข์เกิดภัยขึ้นมาเราก็มีที่หลบภัยได้คือเรากลับบ้านกลับเข้าไปอยู่ในบ้านสันดใจของเราถ้ามีสมาธินี้ใจของเราก็จะมีที่หลบภัยทุกครั้งที่เราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเกิดความเหงาเกิดความว้าเวเกิดความรู้สึกไม่ดีต่างๆนี้เราก็กลับเข้าไปในบ้านของใจได้กลับเข้าไปในสมาธิได้ ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเข้าสมาธิเป็นถ้าเรายังเข้าสมาธิไม่เป็นเราก็ยังจะไม่มีบ้านที่เราจะต้องเข้าไปหลบภัยได้เราก็ต้องพยายามสร้างบ้านนี้ขึ้นมาด้วยการฝึกสมาธิด้วยการหันนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเราต้องใช้สติเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราสงบการที่เราจะมีบ้านมีสมาธิมีความสงบใจได้เราต้องมีสติเป็นผู้คอยหยุดความคิด เราต้องฝึกสมาบุฝึกสติทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นไปได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ก็ให้ฝึกสติวิธีฝึกสติก็ให้เราหยุดความคิดด้วยให้ให้ดึงความคิดมาคิดอยู่กับคบําบาลีรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวกินอะไรก็พุทธโธไป จนกว่าเราถึงเวลาที่จะต้องไปทำงานแล้วเราค่อยหยุดพุทธโธแล้วก็มามีสติอยู่กับงานที่เราทำถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดเรื่องงานก็ใช้พุทธโธต่อไปได้ทำอย่างนี้แล้วเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็มาท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจใไม่ให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ถ้าเราฝึกบ่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราก็จะมีที่อยู่อาศัยมีที่ป้องกันภยัยคือความทุกข์ความเครียดต่างๆได้นี่คือปัจจัยข้อที่สก็คือที่อยู่อาศัยปัจจัยข้อที่สของใจก็คือยารักษาโรคใจนี่ใจก็มีโรคโรค ก, ก็คือความทุกข์ต่างๆนี่ที่เรา เราใช้สมาธิเป็นที่พักชั่วคราวแต่มันจะไม่หายพอเราออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มเครียดเริ่มทุกข์ได้อีกก็เราอยากจะให้ความทุกข์ความเครียดหายไปหมดนี้เราต้องใช้ธรรมะเราใช้ยารักษาโรคของใจคือธรรมะโอสถธรรมะโอสุในที่นี้ก็คือปัญญาเราต้องมองให้เห็นว่าความทุกข์ความเครียดของเรานี้มันเกิดจากความอยากของเรานั่นเอง อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นไปตามความอยากใจของเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาทันทีและวิธีที่จะทําให้เราไม่ไม่อยากได้เราก็ต้องมองความจริงเราต้องมองให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปควบคุมบังคับมันได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันเป็นไป เวลามันเป็นจะให้มันไม่เป็นก็ไม่ได้เวลามันไม่เป็นจะไม่ให้มันจะให้มันเป็นก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเช่นร่างกายของเราเราก็ไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายก็จะเกิดความเครียดขึ้นมา นัเราต้องมองความจริงด right ้วยปัญญาปัญญาคือการมองความจริงมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ดับมันก็จะทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันดับไปมันจะดับก็ปล่อยมันดับมันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่เราไม่ได้ดับไปกับมันใจเป็นของที่ไม่ตายแต่ใจเครียรไปกับของที่ตาย แต่ถ้าใจรู้ทันว่ามันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาก็จะมองเห็นไตรักเห็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเห็นอริยาาสัจสีใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ความเครียดความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปด้วยปัญญาอันนี้แหละเป็นยารักษาโรคของใจที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้พยายามมองให้เห็นไตรักมองให้เห็นอริยาาสัจสี แล้วใจเราก็จะหยุดความอยากที่สร้างความเพียรให้กับใจของเราได้นี่แหละคือเรื่องปัจจัยสี่ทางจิตใจที่เราต้องมามาสร้างกันให้ได้เพราะว่าเรื่องปัจจัยสี่ทางร่างกายนี้เราเราทํากันได้ทุกคนแล้ว เ, เราหากันเราทำกันได้อาหารกินเองได้หาบ้านที่อยู่อาศัยได้หาเครื่องนึ่งห่มได้หายารักษาโรคได้แต่ปัจจัยทางใจนี่ ปัจจัยสี่ทางใจนี้เรายังหากันไม่ค่อยเป็นเราต้องมาฝึกมาซ้อมกันมาทากันมาหาอาหารให้กับใจด้วยการทำทานมาหาเสื้อผ้าเกลเครื่องนุ่มหมให้กับใจด้วยการรักษาศีลมาหาที่อยู่อาศัยให้กับใจด้วยการนั่งสมาธิสร้างสมาธิขึ้นมาและอาศัยมาหายารักษาโรคของใจด้วยการสร้างปัญญาขึ้นมามองให้เห็นอริยสัจสี่มองให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขงังอนัตตา ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรักษาโรคของใจให้หายอย่างสิ้นเชิงได้นี่แหละคือการเลี้ยงดูดูแลชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งสองส่วนคือส่วนทางร่างกายและส่วนทางจิตใจร่างกายก็มีปัจจัย4จิตใจก็มีปัจจัยสี่ของใจถ้ามีครบบริบูรณ์แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเราจะจากความทุกข์อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของธรรมที่มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะตถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏทิตังตุนหังคิปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพิตโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานัสสิลิตะนิจังวุธาปจายโน จัตารุธรมาวทาติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการถามตอบคำถามเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook 429 YouTube ภัสสุชาติ Live 332 YouTube ดร V 45วิทยุออนไลน์9 Clubhouse 5หน้ากวติ169รวม989ค่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขับรก่อนนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคิก่อนนะเอาคนนี้ก่อนเดี๋ยวต้องเข้ามาใกล้ๆนำ้ำมาสการค่ะหลวงพ่อไปทนี้หนูมีคําถามว่าผู้เบิกขากับทําใจแต่หนูอะอยู่ในหมวดทําใจหลวงพ่อคําว่าทําใจของหนูสามารถหลุดพ้นได้ไหมเจ้าคะเดี๋ยวถามใหม่แตเสียงมันดังไม่ได้ยิน นมันส ก, การเจ้าขาของพ่ออุเบกขากับทาใจหนูอยู่ในหมวดทาใจอยู่ค่ะปัจจุบันนี้สามารถบุดพ้นได้ไหมคะอุเบกขามันก็มีสองแบบแบบชั่วคราวกับแบบยั่งยืนแบบชั่วคราวก็คือเข้าสมาธิเกิดรวมเป็น ส, สงบจิตก็จะมีอุเบกขา แต่เอาจากสมาธิมาสักพักอุเบกขาก็จะหายไปถ้าอยากจะได้อุเบกขาแบบถาวรต้องใช้ปัญญามองให้เห็นว่าความอยากของเราเป็นตัวเหตุที่ทําให้เราปล่อยวางไม่ได้นะเหตุที่ทําให้เราอยากก็เพราะเราไปหลงที่ว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์ พอเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะวางเฉยได้มีสองแบบแบบชั่วคราวกับแบบแบบถาวรมองเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์หมดอย่าไปอยากได้อะไรเลยเจ้าค่ะใครจะเป็นอะไรใครจะตายอะไรใครใครจะดีใครจะชั่วก็ปล่อยเขาไปเจ้าค่ะไปยุ่งกับเขาแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วก็จะสบายเจ้าค่ะ อะนนั้นอุเบกขาด้วยปัญญา<ช>แต่ถ้ายังมองไม่เห็นด้วยปัญญาก็ปัญญ า, เ, าเครียดเวลาวุ่นวายไปกับเขาปล่อยวางไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็เข้าสมาธิไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปหรือเรื่องที่ทําให้เราเครียดชั่วขา้าวเจค่ะสาเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะทางทรงไหมสาธุเจ้าค<ห>่ะขอพรอคุณค่ะหลวงพ่ อ, พอ โดย ก, ก, การกราบเน้นครั บ, รบก็กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพครับก็ผมมีคําถามหนึ่งครับคือคือเรื่องของติดเรื่องของสัญญากับปัญญาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรทําอย่างไรจะรู้ว่าสิ่งที่เราเสิ่งที่เราทําแล้วมันเกิดปัญญาแล้วปัญญาที่มันเกิดแล้วเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรครับเ อ, อสัญญาดับทุกข์ไม่ได้ปัญญาดับทุกข์ได้สัญญาก็คือมัน มันมันไม่แน่นอนบางทีก็จําได้บางทีก็ลืมไปเห็นถึงนี้เวลาพิจรารณาก็คือว่าเป็นทุกข์แต่พอไปเจอเข้าจริงๆยังไม่เห็นว่าทุกข์เห็นว่าเป็นสุขเช่นเงินทองนี่แต่เรานั่งพิจรารณาเราเห็นว่าเงินทองนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ใช่รับแต่พอมีใคร ย, ยื่นเงินมาให้เรานี่มันมันลืมว่าเป็นทุกข์เลยมันก็ยังอยากได้อีก ดังนั้นปัญญาที่เกิดก็คือต้องเกิดจากการพิจารณาของตัวเราเองให้เห็นแท้ว่า<ส>เป็นทุกข์กกแล้วเราสามารถที่ตัดมันได้ว่า อ, อันนั้นมันไม่ใช่มันไม่จริงเวลาใครเอาเงินมาล่อใจเราอย่างเงี้ยแล้วบอกเป็นทุกข์ถ้าไปเพึ่งอาศัยเงินทองก็เหมือนเป็นพึ่งยาเสติดเราก็จะติด ังนั้นกา ร, ร, ก, ารการอาศัยสัญญาอย่างเดียวนี้ไม่ได้ต้องเอามาพิจารณาใช่ไหมเอาสรนตัวสัญญามาพิจารณาให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับตอน ต, อ น, ตอนใช้สัญญาจําอยำไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าสอนใจอยู่เรื่อยเอาทุกอย่างไม่เที่ยงพรเจ้าบอกให้เรามาเตือนใจว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับนะอย่าอย่าไปทุกข์กับมันทุกข์ก็ไม่ทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอพยายามสอนใจให้ยอมรับ ความแก่ความเจ็บคามตายแต่พอเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งก็ทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ังแสดงว่าเป็นสัญญาอ๋อเืมไปแล้ว ปัญญามันลืมได้คความจํามันลืมได้แต่ถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ลืมมันจะดับก็บอกว่าเออเป็นมะเร็งก็มันเดี๋ยวมันก็ตายเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วใจก็ไม่ทุกข์เงเป็นปัอ๋อต้องตัดแล้วพอใจไม่มีทุกข์ไม่ยึดไม่ติดอะไรแบบนี้ก็คือเกิดปัญญาขึ้นมาใช่เห็นว่ทุกอย่างเป็นตายรักเป็นนิจจังทุกขังอนัตตา อ๋อตอนต้นก็ใช้สัญญาท่องจําไว้ก่อนอ๋อมันต้องมีสัญญามาก่อนใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นสื่อเป็นตัวที่เป็นตัวนําร่องเป็ตัวนําล่องอรัเป็นเกี่ยมทิดเป็นนําร่องไปถ้าเราคิดอย่างนี้แต่พอเวลาเจอของจริงเราจะคิดแบบนี้ได้หรือเปล่าเหมือนว่าเอ่อเราบอกเฮ้ยเราไม่กลัวตายไม่กลัวตายจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถึงเวลาที่จะตายจริงๆแล้วถึงจะรู้อย่างนั้นนะครัะรู้ทันทีว่ากลัวแล้วไม่กลัวอถ้ารู้ว่าเป็นตายรักมันก็จะไม่กลัว เหมือนพร ะ, พระคุณเจ้าที่ออกทุดงบอกว่าตัด อะไอธิษฐานตายเพื่อจะทําปัญญาเรื่องของความตายให้เกิดนี่ใช่ไหมครับใช่ไปพิสูจน์ดูว่าเป็นปัญญาหรือเป็นสัญญาอืมมันต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับเราพิสูจน์ต้องเจอของจริงไงอืมถ้าไม่เจอของจริงมันไม่รู้ที่เราจะไม่กอดใครนี้ให้เขาตอบหน้าทักทีดูอ่าเป็นนักเฉยๆมันก็ขึ้ได้อันนี้คือปัญญาปัญญาโอ้มันต้องต้องเจอทุกปัญญาต้องเจอทุกแล้วดับดับดับทุกนั้นที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาอืม ตับได้คือปัญญาเห็นแจ้งแล้วว่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ต, ตัดมันได้อันนี้คือปัญญาแล้วใช่ครับขอบคุณครับคำถามฝากถามค่ะมีอสองคำถามค่ะกราบขอโอกาสหลวงพ่ออธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจด้วยเจ้าค่ะหนูปฏิบัติภารกิจสาคัญมากซึ่งหากเกิดความผิดพลาดก็หมายถึงชีวิต คำถามคือและ ว, วันนั้นเกิดเหตุตื่นเต้นแต่แก้ไขสถานการณ์ได้ทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายตามมาแต่ขณะที่เกิดปัญหาจิตหนูกลับนิ่งไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวแต่อย่างใดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นในสภาวะแบบนี้เหมือนกับเวลาที่หนูเจอเหตุการณ์ขับขันเช่นขับรถมาเร็วด้วโดนรถจักรยานยนต์ตัดหน้าเบรกทันหันทําให้รถหมุนแต่ขณะนั้นหนูกลับไม่รู้สึกตกใจกลัวใจกลับนิ่งแล้วรีบควบคุมรถไม่ให้ ผิกวัมมีคนบอกว่าสภาวะเช่นนี้คือสติอัตโนมัติไม่ทราบว่าถูกหรือไม่เจ้าคะมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้ข้อสำสัยขอให้มันนิ่งก็แล้วกันท่านนิ่งก็ใช้ได้นิ่งด้วยสติเนี่นิ่งด้วยปัญญามันก็มีสองระดับอย่างที่เมืเ่อกี้อธิบายให้ฟังท่านนิ่งด้วยสติก็คือใจเรามีสติควบคุมไม่ตื่นเต้นตกใจแต่ท่านนึ่งด้วยปัญญามันก็บอกเออจะอะไรจะเกิดก็เกิด คำถามข้อสุดท้ายช่วงนี้หนูมีภารกิจการงานที่ยุ่งมาก ทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้มากเหมือนช่วงที่ภารกิจน้อยแต่อาศัยเวลาว่างดูลมหายใจข้อออกในช่วงที่มีเวลาว่างเวลาที่ต้องปฏิบัติภารกิจสําคัญจะคิดสอนใจตัวเองไว้เสมอว่าอะไรจะเกิดก็เกิดจะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอเวลาเกิดเหตุจริงใจกลับไม่แป้บไม่หวั่นไหวคะ่ะแบบนี้ถือว่าหนูว่าใจถูกปฏิบัติถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่เราปฏิบัติก็เพื่อให้ใจเราไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ่ง อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับแต่เราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับมันเป็นเหมือนหยดน้ํนบาบนใบบัวใบบัวกับน้ํานี่มันไม่ดูดเข้าหากันอะไรมากระทบกับใบบัวใบบัวก็ไม่ดูดเชื่เข้าไปใจที่นิ่งใจที่ไม่วุ่นวายก็แบบนั้นเหตุการณ์อะไรมากระทบกับใจใจก็เฉยได้ปล่อยวางได้ทําใจได้ก็นห่งคาถามฝากถามจากท่านต่อไปค่ะ ผมหลงรูปคนมากผมใช้อสุภาษแก้โดยเวลาว่างจากงานก็เดินนั่งนอนแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออวัยวะภายในกระดูกแล้วก็เผาทำลายทิ้งให้เป็นขี้เถ้าให้ใจยอมรับความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นแค่ธาตุผมแยกตัวเองแยกคนที่หลงใจผมรู้สึกว่างไม่สุขไม่ทุกข์แยกซ้ำๆบ่อยๆรู้สึกกิเลสเบาลงแต่ยังไม่ แต่ยังตัดไม่ขาดครับผมมีสามคำถามครับคำถามข้อที่หนึ่งผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ต่อเนื่องบางทีก็บางทีก็ไม่ได้มองบางทีก็มองบางทีก็เห็นเป็นอสุภะบางทีก็ยังมองไม่เห็นอยู่ความจริงต้องเห็นทุกครั้งเห็นร่างกายต้องเห็นเป็นอสุภะไปหมดเห็นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่หมดตลอดเวลานัน้องฝึกต่อไปสัญญายังขาดตอนอยู่ ยังจําบ้างไม่จําบ้างลืมบ้างพยายามอย่าลืมให้มันพิจารณาอยู่เนวเดยวคําถามข้อที่สองถ้าผมไม่กลับมาแยกร่างกายต่อเพ่งความว่างต่อไปคืออรูปฌานใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราพิจารณาร่างกายเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายถ้ายังทุกข์อยู่ก็ต้องพิจารณาต่อไปคําถามข้อสุดท้าย ถ้าผมแยกร่างกายซ้ําๆไม่ติดความว่างเป็นการทำทั้งทั้งสมถะวิปัสนาคูบคู่กันใช่ไหมครับก็อย่างที่พูดเน่ยอย่าไปสนใจคําว่าวิปัสนาหรือสมถะสนใจอยู่ที่ใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์นะอันนั้นสําคัญกว่าถ้าไม่ทุกข์แล้วมันจะเป็ิวัฒนวิปัสนาหรือสมถะก็ได้เท่านั้นเหมือนกินข้าวจะไปรูจักชื่อมันหรือเปล่าว่าเป็นชื่ออะไรไม่สําคัญ่ะชื่อมันจะชื่ออะไรก็กินแล้วให้มันอิ่มให้มันอร่อยก็แล้วกัน ใช่ไห ม, มการปฏิบัติเราไม่ค่อยไปติดชื่อเท่าไหร่เพราะตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วขัน้นนู้นขั้นนี้ไม่ไม่หรอกอยู่ที่ใจอย่างเดียวว่านิ่งหรือไม่นิ่งทุกข์หรือไม่ทุ ก, ทกข์เท่านั้นเองเวลาปฏิบัติจริงๆมีแค่นี้แหละปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความทุกข์ใจอย่างที่ท่านพูดว่านักปฏิบัตินี่จะเห็นแค่มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดแล้วมีทุกข์เท่านั้นที่ดับเราจะดูแค่นั้นแหละอยู่ที่ใจเขาตอนนี้ทุกข์เกิดหรือเปล่าทุกข์เกิดต้องดับมันได้หรือเปล่าดับด้วยปัญญาได้หร ดับด้วยสมาธิได้ป่ะถ้าดับได้ก็กใช้ได้ดูที่ใจดูที่ทุกข์ถ้าใจทุกข์ก็ต้องต้องดับเหมือน ไ, ไฟไฟไหม้บ้านเราเนี่ยเราดูที่ไหนแล้วไปถามชื่อไฟเขาบอกอามาจากไหนแล้วยาไฟเอาน้ําที่ไหนมาดับน้ําที่ไหนคว้าได้ก็ต้องรีบคว้ามาดับ ท, ทันทีใช่ไหมไม่ใช่โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรไปก่อนจะมาดับบ้านก็ต้ดับไปหมดนะไป <c oughs> มันต้องดูที่เหตุการณ์ดูที่ความทุกข์ดูที่ปัญหาแล้วแก้ปัญหาดับปัญหานั้นให้ได้ ท, ทันทีทันใดถ้ามีปัญญามีสมาธิมีสติก็จะดับได้คำถามฝากถามอีกท่านหนึ่งค่ะภาวนาพุโทโธตอนที่ยืนอยู่หรือตอนนอนได้บุญไหมครับหรือได้บาปผมเห็นไปดู YouTube แล้วผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งบอกว่าถ้าภาวนาพุโทโธจะเป็นกิเลส เพราะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วเราจะได้บุญได้ยังไงเหรอครับตกลงได้บุญหรือได้บาปครับถ้าภาวนาทุกลมหายใจบุญคือความสงบใจถ้าใจสงบด้วยวิธีใดก็เป็นบุญเท่านั้นสงบด้วยพุโทโธก็ได้สงบด้วยการดูลมก็ได้สงบด้วยการเห็นความตายก็ได้มันมีหลายวิธีด้วยกันของผู้ปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเขาเห็นแล้วทําให้ใจเขาสงบอันนั้นก็คือบุญความสงบคือความสุขเนี่ย ไม่ทุกการดับความทุกข์นี้ก็ถือว่าเป็นบุญคำถามฝากถามอีกทั้นหนึ่งค่ะฝึกนั่งสมาธิอย่างไรให้ได้อุปจารสมาธิครับพระอาจารย์อุปจารสมาธินี้เราไปสาเราไม่สามารถที่จะไปทำให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีไม่มีของเดิมติดมาอุปจารนี้เป็นของพิเศษเป็นสมาธิพิเศษสำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนในอดีต แต่ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนจะไม่ได้อุปจารสมาธิได้แค่อัปนาสมาธิแต่ก็ดีเพราะว่าอุปจารสมาธินี้ไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่มีอุบเบกขาแต่อปนาสมาธินี้เป็นทางสู่ความทุกข์เพราะว่ามันมีอุบเบกขาอย่างถ้าเรามีอุปจาระเราไม่ควรที่จะไปเข้าไปหามันตอนนี้ ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอยากพึ่งไปหาอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้มีไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราหลุดพ้นแล้วเราใช้อุปจารสมาธิเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพวกกายทิพย์ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ใช้อุปจารสมาธิเวลาแสดงธรรมให้กับพวกเทวดาต้องมีอุปจารสมาธิต้องมีความสามารถติดต่อกายทิพย์ได้ แต่ถ้าช่วงปฏิบัติทุกครการหลุดพ้นถ้าไปสนใจกับอุปจาระมันจะทำให้เสียเวลาเราจะทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานให้จิตหลุดพ้นได้เหตุน้ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นอย่าไปยุ่งกับอุปจาระสมาธิถ้าเรามีถ้าเรามีวาสนาเราสามารถเข้าอุปจาระได้หยุดอย่าไปเข้าดึงกลับมาที่ อ, อัปปนาให้มันนิ่งให้มันสงบไปนานๆแล้วออกจากสมาธิมาก็ใช้ ใช้อุเบกขาที่ได้มาพิจารณาปัญญาเพื่อดับความทุกข์ต่างๆพอพ้นทุกข์แล้วทีนี้ถ้ามีเทวดาเช่นคิดถึงแม่คิดถึงพ่อตายไปแล้วอยากจะดูว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็อาจจะสามารถไปติดต่อกับพ่อแม่สอนธรรมะให้กับพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่เป็นเทวดาอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปสอนแม่ที่เป็นเทวดาได้อันนี้มีประโยชน์สําหรับหลังจากที่เราพ้นทุกขนะ์แล้วเป็นเครื่องมือที่จะช่วยหลือในการเผยแผ่ธรรมะ เอาพวกเทวดาวนี้เขาเขาไม่มีร่างกายเหมือนเราเอามาฟังเทศแบบตอนนี้ก็าฟังไม่ได้เขาต้องรอให้พระเจ้คนแสดงธรรมเข้าไปในอุบ ป, ปจาระก่อนถึง่อติดต่อเขาได้คำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะมีสองคำถามคำถามข้อแรกเนื่องด้วยดิฉันได้เข้าสมาธิแล้วแต่เนื่องด้วยทางวัดมีเวลาจำกัดทําให้ดิฉันออกจากสมาธิไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ทางวัดเลยได้มาเขย่าตัว ผลักให้ออกจากสมาธิค่ะดิฉันอยากจะกลับมาเข้าสมาธิได้อีกไหมเจ้าคะได้บานทีอยากออกก็ได้ถ้าเรามีสติแล้วก็สั่งมันให้ออกได้มีบางทีเรานั่งแบบไม่มีสมาไม่มีสติมันก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลานั่งสมาธิาต้องมีสติเราจะสามารถสั่งให้มันเข้าออกได้ตามที่เราต้องการคำถามข้อสุดท้ายทำไมตอนที่โดนเขย่าตัวถึงได้มีอาการจุก ใต้ลิ้นปี๋แล้วมีน้ำตาไหลออกมาคะอ๋อมันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปฏิกิริยาของจิตเหมืนคนเตือนเนี่ยคนนอนหลับแล้วถูกปลุกขึ้นมาบางทีก็อารมณ์เสียก็ได้บางทีก็เกิดอะไรต่างๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกังวลมันเป็นอนิจจังทุกขังว่าน้ำตาไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันคําถามฝากถามอีกท่านหนึ่งจากหน้ากุฏิค่ะ สังขารวิญญาณเวทนาในปฏิจจสมุปบาทกับขันห้าต่างกันอย่างไรคะตัวเดียวกันปฏิจจสมุปบาทก็พูดถึงการทำงานของขันห้านี่ว่ามันทำงานอย่างไรคำถามฝากฐานจากหน้ากุฏิอีกท่านหนึ่งค่ะคำถามข้อแรกขอความเมตตาให้ความรู้ในการฝึกสติในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆและได้ผลทองพุโทโธไปทั้งวันเลย พอลืมตาขึ้นมาเสื่นขึข้นมาก็พุทโธไปเลยทั้งวันอาบน้ําล้างหน้ า, าบแปรงฟันก็พุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวกินอาหารก็พุทโธไปกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทํางานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้พุทโธไปอย่างเดียว น, นอกจากว่าท่านจําเป็นเรียนต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธรไปชั่วคราวคิดเท่าที่จําเป็นพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้ว ก, กลับมาพุทธโทรมา อย่างนี้จะมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะนิ่งจะสงบได้ง่ายได้เร็วมีอีกสองคำถามค่ะคำถามข้อที่สองขอทราบว่าสติสัมปชัญญะนี่ฝึกได้ในชีวิตประจําวันจะนําไปสู่นิพพานได้อย่างไรสติสัมปชัญญะก็คือแปลว่าสติต่อเนื่องสติไม่เผลอส่วใหญ่เวลาเริ่มต้นสติมันจะได้แค่ปุ๊บปับเดียวสองสามคำแล้วก็หายไปพุโทโธสองัามคแล้วก็หายไป อัง น, นี้ไม่ใช่เป็นสัมปะชัญญาถ้าสัมปะชัญญานี่ต้องต่อเนื่องห้านาทีก็ยังพูดโทพูดโทอยู่แต่ถ้าอย่างนี้มันก็ทำจิตให้สงบเป็นอุเบกขาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายลักได้มันก็ไปนิพพานได้ คำถามข้อสุดท้ายของความกรุณาสรุป ธ, ธรรมะสั้นๆในวันนี้อีกครั้งปัจจัยสี่ทางโลกปัจจัยสี่ทางธรรมรักษาใจได้อย่างไรเจ้าคะเดี๋ยวไปฟังเทพย้อนหลังดีกว่าที่ดเกียรสรุปคำถามฝากถามน้ากุฏิอีกหนึ่งท่านค่ะ แม้ว่าจะปฏิบัติตนและปล่อยวางนิ่งเฉยแต่ก็ยังถูกเบียดเบียนใช้วาจากล่าวร้ายรับหลังและที่ทำงานทำให้จิตไม่นิ่งเสียใจควรทำอย่างไรเราต้องอยู่กับคนที่ทำงานอีกนานค่ะเพราะนี่เหมนข้อสอบไงถ้าเราสอบไม่ผ่านเราสอบตกก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปถ้าเราไม่เดือดร้อนกับคาราานินทากับการกระท ข, าาของคนอื่นแล้วเราก็ไม่ต้อง เราก็ไม่ต้องสอบนะแสดงว่าเราสอบผ่านนะยังแสดงว่าปัญญาของเรายังไม่ทันกิเลสมันยังเร็วกว่ามันยังสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อยู่ก็เราไปฝึกปัญญาให้มากขึ้นให้เห็นว่าเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องปล่อยวางลูกเสียงกลิ่นรนเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะด่าเรามันก็มันก็ด่าเรามันจะชมเรามันก็ชมเราแต่ใจเราต้องเนิ่งเฉยไปกับมันทุกอย่าง คำถามจากทางย t u b e จากคุณภูดีค่ะข อ, อกาสถามว่าการทำบุญด้วยการถวายปัจจัยเงินและด้วยการถวายปัจจัยสี่เช่นใส่บาตรถวายอาหารผ้าจีวรสร้างกุฏิถวายยานพาหนะเป็นต้นในจำนวนเงินที่เท่ากันมีอนิสงส์ต่างกันไหมคะไม่ต่างละเงินเท่าไหร่ก็ได้บุญทท้งนั้นค่ะคำถามจากคุณไตราตราการที่เราคุยกับคนหลายคนแต่เราโสดนะคะ แบบนี้เราเล่นกับความรู้สึกคนหรือเปล่าคะแล้วจะบาปไหมคะเราอะไรนะคุยค่ะคุยกับคนหลายคนหมายก่าว่าคุยในเชิงอาจจะเป็นแฟ น, น um อะไรเงี้ยค่ะยังไม่เข้าใจคำถามไหนคำถามคือว่าถ้าเขาได้คุยเหยียดคนหลายคนลักษณะที่ว่าเหมือนกับจะเป็นแฟนแต่ว่าก็ยังเป็นโสดอยู่เป็นโสดใช่ค่ะจะจะมีเล่นกับความรู้สึกคนแล้วจะเป็นบาปบาปไหมเจ้าคะครู้สึกอยากจะร่วมเพศอย่างคราวนี้นะเออแค่แบบว่ามีความรู้สึกแบบให้ความหวังลหลายๆคนค่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนกังก็ไม่ ไม่บาปไม่ผิดไม่ผิดศีลแต่มันก็อาจจะทำให้ใกล้ๆเข้าไปนะถ้าไม่จำใจก็อย่าพูดเรื่องราวเหล่านี้คำถามจากคุณนพดลค่ะคนที่เชื่อว่ามีแดนนิพพานถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิใช่หรือไม่ครับมีอะไรนะมีแดนนิพพานมีแดนนิพพานค่ ะ, คะ ก็นิพพานมันก็เป็นสภาพจิตใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นแหละนี่จะแปลว่าเป็นแดนหรือเป็นอะไรนี่ก็เป็นเรื่องแค่ความหมายของการพูดเท่านัา้นเองแต่นิพพานเนี่ยมจริงคนที่เชื่อว่านิพพานมีจริงเนี่ยไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ คำถามจากคุณสุพศรถ้าโยมจะทำตอนที่มีสติอ่อนกลัวจิตโดนทางโลกครอบงำก็จะฟังเทศไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยถ้าเวลาไหนที่มีสติแข็งแรงก็จะเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิโดยไม่ฟังเทศทำแบบนี้จะได้ไหมคะได้ตอนต้นถ้าเรายังไม่มีสติในตัวเราก็สายการฟังเทศช่วยเสริมสติไปก่อน พอเราเริ่มีสติเราก็เดินโผมนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องใช้การทั้งเทศค่ะคำถามจากคุณสมยัยการที่หาเงินร่ำรวยได้จากการโกงหรือหลอกลวงถือเป็นคนฉลาดหรือไม่คะฉลาดทางโลกแต่โง่ทางธรรมคือไปตกนรกโดยไม่รู้สึกตัวร <c oughs> วยเป็นมหาเศรษฐีแต่ตายไปไปตกนรก <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมคาถามหมดแล้วเ<ม>จ้าค่ะหมดพอดีสำหรับวันนี้กล่าวแค่นี้ก่อนนะ